สองคนเป็นเพื่อนกันก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็วันที่ใกล้หวยออกนะก็มาระหว่างที่ลุ้นกันว่าจะตัวนถูกหวยถูลอตเตอรี่หรือเปล่านะก็ นั่งคุยกันว่าถ้าถูกถ้าถูกรางวัลนะจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคนแรกก็บอกว่าจะเอาไปซื้อซื้อที่อีกคนมึงก็บอกจะซื้อวัวแล้วก็เลย สักถามว่าทําไมถึงซื้อวัวทำไมถึงซื้อที่คนที่บอกว่าซื้อที่ก็อธิบายว่าที่มันต่อไปมันก็จะมีราคาอาแล้วคนที่ซื้อวัวซื้อทําไมวัว น, นี่ซื้อมาแล้วมันก็ออกลูกออกหลานจาก2เป็น3เป็น4 ไม่นานก็จะเป็นฝูงก็จะขายก็จะได้เงินมาคนที่ซื้อที่ก็เลยแยง้ง ว, ว่าซื้อวัวเป็นภาลาต้องเอาเอาวัวไปเลี้ยงหาญ้าบางทีก็หน้าแรงก็ไม่มีญ้ากินเดี๋ยวคนม็ขโมยไปอีกสู้ซื้อที่ไม่ได้นะราคามันขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไร ดูเฉยๆก็มันก็ขึ้นแนละ้วใครขโมยก็ขโมยไม่ได้คนที่ซื้อวัวก็แย้งว่าซื้อที่นีนะ่เดี๋ยวมีใครมาใครมาอยู่ใครมาอาศัยไม่ได้ดูแลมันก็เขาก็ครอบครองแตยปละปักได้ต่างคนต่างก็แยง้งอีกฝ่ายหนึงว่าไม่ดนะีสู้ของตัวไม่ได้ คนหนก็บอกว่าซื้อวัวดีกว่าอีกคนหนึ่งก็บอกซื้อที่ดีกว่าแล้วก็หักล้างอีกฝ่ายว่าซื้อที่ไม่ดีอีกคนก็บอกว่าซื้อ ว, วัวไม่ดีเทียงไปเทียงมาก็เลยทะเลาะวิวาดกันจากทะเลาะวิวาทกันก็เลยกลายเป็นชกต่อยกันชกต่อยกันทั้งที่ยังไม่มีใครถูกลัตเตอรี่เลยก็ ทุ่มเฉียงกันออกเป็นออกตายซะและ้วราวกับว่าจะถูกลอตเตอรี่ไปแล้วอันนี้มันก็ดูหน้าหัวนะทุกทั้งสองคนต่างก็มีแต่ความคิดไม่ใช่ว่าถูกลอตเตอรี่ไปแล้วมีเงินอยู่กับมือแล้วก็เปล่า ก็แค่วาดวิมานในอากาศเท่านั้นแหละแต่ก็เถียงกันทุ่มเถียงกันจนกระทั่ทงทำร้ายกันก็เพราะวิมานในอากาศแล้วคนเราก็คนธรรมดาก็อาจจะไม่เป็นขนาดนี้นะแต่ว่าเราก็ เป็นทุกข์เพราะความคิดของตัวเองอย่าว่าแต่ทุกข์เพราะความวิตกกังวลเลยแม้แต่ฝันกลางวันก็ทำให้ทุกข์ได้สองคนนี้เขาก็ฝันกลางวันแต่ไปไปยึดติดถือมันเอาจริงเอาจังกับมันก็เลยเป็นทุกข์กับมัน ในภาษาแล้วคนที่กังวลกังวลกับอนาคตเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องหนี้สินมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แล้วคนเรานี่ทุกข์เพราะความคิดมากที่จริงความคิดนี่มันมันน่าจะ อยู่ในอำนาจของเรามันน่าจะรับใช้เราแต่ว่าคนจำนวนมากกลับกลายเป็นท่าของความคิดความคิดมันกลับใช้เราแทนมันใช้ให้เราคิดคิดคิดคิดคิดฟุ้งไปจนกระทั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอน เมืองก็ว่าเราเป็นเครื่องจักรที่จะผลิตอะไรต่ออะไรมาความคิดมันก็อยากจะออกลูกออกหลานเหมือนกันนะมวลในง่นี่มันก็มืนกัสิ่งมีชีวิตมันก็อยากจะออกลูกออกหลานมันก็เลยสร้างมันก็เลยใช้ให้เราคิดคิดคิดไปเรื่อยแล้วมันก็อยากใหญ่อยากโตนะความคิดเน่ยเพราะฉะนั้น ถ้ามีใครมาเถียงมาแยง้งมันไม่ชอบมันก็ต้องหาทางโคอล้มทําลายความคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับมันอย่างคนที่อย่างความคิดว่าซื้อที่มันดีก็จะหาทางเล่นงานความคิดที่บอกว่าซื้อที่ไม่ดีซื้อวัว ด, ดีกว่า ความคิดที่ว่าซื้อวัวดีกว่ามันก็จะไม่ชอบความคิดที่บอกว่าซื้อวัวไม่ดีซื้อที่ดีกว่าก็หักยาหักล้างทำลายจนกระทั่งถึงกับนำพาให้โชกต่อยก็มี น, นี่ก็เป็นเป็นอุทพลของความคิดน มันต้องการเป็นใหญ่มันต้องการที่จะปกป้องตัวเองมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเลยสิ่งมีชีวิตนี้ก็ต้องการต้องการออกลูกออกหลานต้องการมีพักพวกมีบริวารต้องการเป็นใหญ่เป็นโตและความคิดก็เหมือนกัน มันต้องการเป็นหนึ่งเป็นเลิศไม่ต้องการคู่แข่งไม่ต้องการปรับปรัแล้วก็มันต้องการเป็นอมตะด้วยเหมือนคนมันก็สิ่งมีชีวิตต้องการเป็นอมตะต้ ง, ต ง, ตงไม่ต้องการตายมันก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่รอด คามคิดมัสั่งให้เราพูดพูดพูดเพื่อได้เผยแพร่ความคิดออกไปกว้างสั่งให้เราทําทุกอย่างเพื่อจะให้มันเป็นอมตะคิดอะไรได้ก็ต้องเก็บไว้คนเดียวไม่แล้ก็ต้องเผยแพร่ออกไปก็ต้องทําให้มันดูชั่วฟ้าดินสลายมีการจารึกเอาไว้ ให้มันคงทนได้นานๆไม่ใช่ซุกไว้ซ่อนไว้ในที่ใดที่หนึ่งวความคิดมันสั่งให้ให้ทำเนี่ยคนเราถ้าเราทีแรก ม, มันก็เราก็เป็นฝ่ายคิดฝ่ายสร้างความคิดขึ้นมา แต่ต่อมาความคิดมันก็สร้างเราปรุงแต่งเราถ้าเราไม่รู้ทันความคิดก็จะตกเป็นทาสของมันไม่ต้องคิดอะไรให้หนึ่งไกลแต่เวลาเราคิดเรื่องอนาคต วิตกกังวลขึ้นมาก็ทา่านอนที่ทุกข์กับความวิตกกังวลแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคิดถึงอดีตคิดถึงคนที่แกล้งเราเอาเปรียบเราก็เกิดความโกรธเกิดความพยาบาทรู้ั้งรู้ว่าโกรธรู้ต้องรู้ว่าทุกข์เพราะความโกรธความพยาบาท แต่ว่าก็วางไม่ได้นะก็คิดคิดคิ ด, คดนั่นแหละจนเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เพราะว่ามันเผลอเผลอเผลอคือไม่มีสตินั่นเองเผลอก็ทำให้เกิดความยิดติกอุปาทาน ความยึดติดถือมันเรียก ว, ว่าทิฏฐุปาทานความยึดติดถือมันในความคิดความเห็นแล้วก็มันไอตัวนี้มันมันมันเห็นยากนะมันรู้ทันยากเพราะว่า คนเราใช้ความคิดในการมองโลกเราก็มองผ่านความคิดความนึกแล้วพอเราไปยึดความคิดนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังโดนมันหลอกใช้อันนี้แหละจำเป็นต้องมีสติสติเป็นอีกตัวหนึ่ง สติไม่ใช่ความคิดสติเป็นตัวรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจเราใช้สติเพื่อเพื่อทำให้รู้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าตอนนี้เราก็ถ้าเรารู้ว่าเรา กำลังนั่งอยู่อารมณ์ความสึกกำลังสบายหรือกำลังวงนเหียนี่ก็สติเป็นตัวช่วยทำให้เรารู้ที่มีความหมายของสติคือความว่ารารึกลรึกได้ราลลึกแต่นั่นก็เป็นความหมายหนึ่งความหมาย ความหมายหนึ่งของสติแต่ว่าสติก็ยังมีความหมายในการตามรู้ไปด้วยอย่างสติปัฏฐานเือกายอนุ ป, ปัสนาจิตตานุ ป, ปัสนาเวท น, นาตุปัสนาธรรมานุ ป, ปัสนานี่ก็ให้ความหมายสติเป็นนการตามรู้ตามรู้ ถ้าสติดีมันก็ตามไม่ขาดระยะถ้าสติไม่ดีมันก็ตามบ้างไม่ตามบ้างตกต ก, ตกั น, นก มันทำได้ยากมากแต่ถ้ารู้ด้วยสตินี่มันทำได้ความคิดมันก็เป็นศักแต่ว่าคิดปรุงขึ้นมาไม่ใช่ของจริงแต่ว่าสตินี่มันคือการเห็นของจริงหรือว่าจะเป็นสัมมาสตินะสติมันมีหลายอย่างท่านมิชาสติก็ไม่ใช่แล้วลึกได้ในเรื่องที่มันแย่ ถ้าไม่เป็นอกุศลนี่คืมิชฉาสติแล้วเรื่องเรื่องนอกตัวก็ไม่ใช่สมาสติสมาสติก็คือเรื่องรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่ได้รู้เรื่องนอกตัวรู้กายรู้ใจรู้ใจคือรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้สิ่งปรุงแต่งขึ้นมาใช้ความคิดมาดูความคิดนี่มันยากกันนะ มันก็ลงพลัดเข้าไปในความคิดต้องใช้สติเข้าไปดูก็ไปรู้ความคิดก็จะเห็นอ้เรากำลังเป็นบ้าเป็นหลังเรากำลังมีอคติเรากำลังฟุง้งกำลังหัวปักหัวปัม๊มถูกความคิดมันหลอกใช้นี่สติมันทำให้เราเห็นเพราะสติคือการเห็นของจริง ของจริงที่เป็นรูปธรรมนามธรรมความคิดนี่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเช่นการสร้างวิมานในอากาศเนี่ยหรือการมองว่าเขาเป็นคนเลวคนชั่วยอย่างนั้นอย่างนี้นี่นึกเอาทั้งนั้นของจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้แม้แต่ความจำจาได้ว่าเป็นอย่างนั้นจาได้เป็นอย่างนี้นี่ก็อาจจะเป็นความคิดนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นความจำในเรื่องอดีตก็อย่าไปเชื่อว่ามันเป็นความจริงในอดีตสิ่งที่เราจำดาได้ไม่อย่าไปเชื่อเป็นความจริงมันเติมแต่งขึ้นมาได้ก็เยอ ะ, ะเราะมีการทดลองมากมายอย่างเช่นให้ทดลองเขียนว่าเนี่ยสมมติว่าเขามีการทดลองประมาณ 20, 20กับกว่าปีที่แล้วมีมเหตุการณ์ โ, ง โ, งโงรงไฟ้าปรมานูเชอร์โนบิลที่รัเสเซียมันเกิดรั่วเกิดเกิดพังขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ปี29ก็ให้มีการจดไว้ว่าวันนั้นทำอะไรให้นักศึกษาจดไว้วันนั้นทำอะไรทำอะไรสิรัสิบปีผ่านไปก็ให้ นักศึกษาคนเดิมๆนั่นนะพูดว่าตัวเองทำอะไรไปทำอะไรในวันนั้นเสร็จแล้วก็มาเทียบกับที่เคยเขียนไว้ในวันที่เกิดเหตุจริงๆเมื่อ10ปีก่อนปรากฏว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนเยอะทั้งที่ผ่านไปแค่10ปีเพราะนั้นเนี่ยที่เราคิดไปว่า ตอนเด็กๆ เ, เราทำแบบงงอย่างนี้นี่ก็คิดเอาบางทีก็ไปโกรธพี่สาวโกรต้องชายว่าตอนเด็กๆทำอะไรกับเราอย่างงงอย่างนี้แล้วก็ไปเกลียดไปไม่พอใจเขานี้ก็อาจจะคิดเอาเหมือนกันจะ่เราคิดเชื่อเป็นความจําแต่ความจําก็ไม่แน่นอนคนเราเชื่อความจําไม่ได้นะนะแต่เหตุการณ์ที่ผ่านไปชั่วประเดียเด๋ยวเดี๋ยวแล้วเคยมีอาจารย์คนหนึ่งเขา กำลังบรรยายวิชากฎหมายอยู่นักศึกษาเป็นร้อยจูกๆก็มีคนมีคนเป็นโจรเข้ามาในห้องแล้วก็ทอ้คนตกตะลึงโจรนั่นก็คว้าเอากระเป๋าเอกสารของอาจารย์ที่วางอยู่ข้างข้างตัวข้างเก้าอี้แล้วก็รีบหนีออกไป ตอที่เราใส่ตะลึงอยู่อาจารย์ก็ถามว่าให้คนเมื่อกี้เนี่ยช่วยบรรยายรูปร่างลักษณะที่เขาเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างสูงต่ำดำเตี้ยใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรทุกคนก็ก็พูดปรากฏว่าไม่เหมือนกันก็เยอะพูดกันไปคนละเรื่องเลย บางคนว่าสูดบางคนว่าผิวคขาวบางคนผิวคล้มบางคนว่าใส่มีเข็มขัดบางคนไม่มีเข็มขัดบางคนว่าสูงห้าฟุตสองนิ้วบางคนว่าสูงห้าหฟุตก็มีและความจำที่ในเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปนี้ก็งก็ยังก็ยังไม่ตรงกันก็ยังผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ เพราะฉะนั้ น, นี่เราให้เรื่องความคิดนี่มันอย่าไปเชื่อมันมากอย่าไปหลงมันบางทีมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราพอเร า, เราก็ไม่รู้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปเชื่อเป็นความจริงสรความไอความยึดติด น, นี่ก็ทําให้เกิดปัญหา เรคนเราทะเลาะ ก, กันบางทีขัดแย้งกันทําร้ายกันก็นพรไอ้ความคิดนี่แหละไม่ต้องพูดเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงไนมะ่ใช่ประจําวันก็เป็นนี้เยอะไม่ต้องพูดเรื่องว่าทะเลาะ ก, กันเรื่องวิมานในอากาศคิดไม่ตรงกันอย่างที่เราเมื่อกี้นะเรื่องซื้อที่ซื้อวอัว แม่แต่สิ่งที่ผ่านไปก็หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็ได้มีมีคนหนึ่งก็ไล่ฟังพ่อเขาพ่อเขาชอบสูบบุหรี่แล้ววันหนึ่งก็พบว่าพ่อนี่เป็นมะเร็งปอดก็ ต้องทำการรักษาเราก็บังคับให้พ่อนี่เรียกว่าไม่บังคับเรียกคัดคันให้พ่อนี้เลิกสูบบุหรี่พ่อก็ใช้พ่อก็ก็ยังก็พยายามนะแต่ว่าก็ยังอดไม่ได้แล้วพอเห็นพ่อสูบบุหรี่ทีไรเขก็จะไม่พอใจพ่อก็พยายามอดพยายามอด แล้วก็วันหนึ่งเขาก็ตัวพ่อกับลูกนี่ก็นอนคนละบ้านวันหนึ่งเขาก็มาเยี่ยมพ่อตอนนั้นพ่อก็ป่วยแล้วนอนพอเยี่ยมพ่อเสร็จ ก, ก, ก็มองเขาก็เดินไปที่ระเบียงก็เห็นก้นบุรีพอเห็น ก็มืก็โกรธปรี๊ดเลยนะพ่อจะตายไม่เลิกบุหรี่ต่อว่าพ่อใหญ่พ่อว่าไม่ได้สูไม่ได้สููกว่าไม่สวกก้นบริรีมา่างไหนเห็นชาชัดยังโกหกีพ่อก็เถียงลูกก็ยิ่งโกรธเลยไม่มองหน้ากัน ตอนนั้นพ่อก็แย่แล้วไม่กี่ไม่ซักไม่กี่ต่อมาไม่นานพ่อก็เสียชีวิตก็ทำสดเรียบร้อยก็มาจากการเคลียร์ห้องของพ่อมอไปที่ระเบียงอ้าวเจอกลนบุหรี่้กลนบุหรี่มาจากไหนเนี่ยพ่อตายไปแล้วทำไมยังมีกลนบุหรี่อยู่ ก็มันมาจากห้องข้างบนห้อ ง, งบนมันสูบบุหรี่มันรุ่นทำท่าไหนเวลาโก้นบุหรี่ลงมามันจากห้องข้างบนก็ลมมันพัดเข้ามาในในระเบียงบ้านของที่ห้องพ่อของห้องห้องที่พ่ออยู่พอ่อเี่พอรู้เขาก็ก็อึง้งไปเลยนะคย เข้าใจว่าพ่อสูบบุหรีโกรธพ่อว่าพ่อแต่ที่จริงพ่อไม่ได้สูบคนอื่นมันสูบแล้วคนบุหรีมันตกเข้ามาอยู่ในระเบียงห้องพ่อก็เสียใจทำอะไรไม่ได้แล้วพ่อตายไปแล้วตายไปได้วยความ รู้สึกที่ไม่ดีต่อ ก, กันเ้าเราไปก็ร้องไห้ไปเนี่ยขนาดเห็นก้นบุรีอยู่ในระเบียงบ้านพ่อนี่ก็มันก็ยังสรุปไม่ได้นะว่าเป็นเพราะพ่อสูบบุรีแต่คนเราไต้องสรุปเ็งก็ต้องสรุปไปแล้ว อันนี้เรียกว่าสรุปโดยโดยอาศัยอาศัยหลักฐานหรืออาการที่น่าเชื่อแต่มันไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่าความจริงจะต้องเห็นพ่อสูบบรีแต่ว่านี่มันเป็นแค่การอนุมานเนาะเป็นการอนุมานคือเห็นก้นบุิรีอยู่ที่ะระเบียงก็ต้องสรุปไปก่อนว่าพ่อสูบแล้วเราก็เชื่อเลย คุทเจาถึงตัดหลักการมาสวดข้อหนึ่งว่าอย่าเชื่อเพราะอนุมานเอาอย่าเชื่อเพราะอนุมานเอาอนุมานคือเป็นอย่างนี้ก็สรุปเลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่าเชื่อเพราะอาการน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าเชื่อเพราะสอดค้องกับตักกะ ตักกะคือความเป็นเหตุเป็นผลในกาลัมมงมศุลนี่จะมีสะมข้อเนี้ยอย่าเชื่อปากกนุมานอย่าเชื่ออย่าปรุงใจเชื่อเพราะาอบขากรตักกะอย่าปรุงใจเชื่อเพราะลักษณะาอาการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคือคิดได้แต่อย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นความจริง ความคิดกับความจริงมันคนละอันข้อสรุปกับความจริงก็คนละอันแต่คนเรามักจะเผลอไปคิดว่าความคิดกับความจริงคืออันเดียวกันเช่นเห็นก้นบุหรี่ตกอยู่ในระเบียงบ้านพ่อก็สรุปแล้วว่าพ่อสูบบุหรี่และคชืว่านี่คือความจริง ข้อสรุปนั้นเป็นความคิดไม่ใช่ความจริงแต่ความคิดอาจจะใกล้กเคียงความจริงก็ได้ <S <S ถ้าเราเห็นถ้าเราจับจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วผู้ต้องสงสยัยนั้นมือนี่มีข่าหมาปืนก็ สาารสรุปก็อา จ, จะสรุปว่านีนเป็นเขาหนี้ยิงปืนหรือว่าเป็นฆาตกรแต่ว่ามันก็อาจจะไม่จริงก็ได้หรืออาจจะจริงก็ได้ความคิดกับความจริงมันไม่เหมือนกันแต่อาจจะใกล้เคียงกันก็ได้แต่คนเราไม่ไม่ค่อยแยกแยะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยไปเชื่อความคิดไปเชื่อความคิดว่า ว่าเป็นความจริงนี่พุเจ้าทฉลาท่านเติอนไว้นานแล้ว 2,600 ปีแล้วแต่คนก็ยังยังหลงเชื่อความที่ว่าเป็นความจริงหลงเชื่อการอนุมานว่าเป็นความจริงความจริงนี่มันต้องเห็นนะมันต้องเห็นด้วยตาแต่ขนาดเห็นด้วยตาแล้วก็ยัง ก็ยังเอาแน่อานอนไม่ได้ความจริงบางยังอยู่ตอนหน้ายังมองไม่เห็นเลยมีอาจางคนหนึงก็ไลฟ์ฟังจะงงมากก็มีเพื่อนเนี่ยที่เมียจางอีกคนหนึ่งหมดไม่ออกคุณดูวีคุณดูภาพนีจะเอาวิดีโอมาถ่ายใช้วิดีโอ เป็น่าพนักศึกษาห้าคนเดี๋ยวลูกบอลเดี๋ยวลูกบอลกันนะอาจารย์ก็ให้นะักให้ให้คนที่ดูเนี่ยดูซะว่าลูกบอล น, นี่มันไปอยู่กับคนเมืองคนนี่กี่ลูกบอลมันไปอยู่ในมือของนายกรนายคอนี่จํานวนเท่าไหร่แล้วตั้งนงักตัง้นงนงัลนัลตาดู แล้วก็นับไปด้วยพอดูเสร็จอาจารย์ถามว่าคนที่ให้คนที่ฉายวิดีโอะนะถามว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนแต่งชุดกอริลล่าเดินผ่านกลางวงหรือเปล่าลเอมีที่ไหนเราไม่เห็นมีก็เห็นมีแต่งตั้งาโดนโยลูกบอลเง คนที่ชายที่เป็นอาจารย์นี่ก็บอกว่ามีคุณไม่เห็นเหรอบาคนบอกจะเห็นได้ยังไงไม่เห็นมีเลยเห็นในนักศึกษาก็ทำท่าจะเถียงแ่ก็เลยใช้วิดีโอใหม่ปรก็ว่ามีนะแต่งชุดกอริลลาสีดำเดินผ่านกลางวงเลยทำไมไม่เห็นแปลกมากถ้คนที่เราเรื่งนี้เขาก็เป็น ศาสตราจารย์ที่มีชื่ อ, อ น, นี่มันก็น่าแปลกนะเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยว่ามันมีตอนที่นักศึกษาโยนลูกบอลกันมันมีคนเดินผ่านมากลางวงเลยไม่ใช่แค่เฉียดๆแล้วก็แต่งชุดไม่เหมือนใครมันก็แสดงให้เห็นว่าคนเรานี่แม้แต่สิ่งที่ปรากฏต่อนหน้าบางทิมก็ไม่เห็นนะ เพราะว่าเราไปจดจ่อสนใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่สมองคนเรานี่มันมันไม่ใช่ว่าหรือตาคนเรานี่มันไม่ใช่แค่บันทึกความจริงทุกอย่างมันจะบันทึกหรือว่าจะจดจ่อความจริงเป็นเรื่องเรื่องส่วนๆถ้าเราจดจ่อเรื่องนี้ก็จะไม่เห็นอย่างอื่นเลยเราเคยรู้มาว่าเออถ้าเราจด ถ้าเรามองจดจอตรงนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเช่นเรากำลังอ่านหนังสืออยู่หรือกำลังดูหนังจิตมันไปจดจ่ออยู่กับภาพที่ปรากฏเสียงที่ผ่านมาทางหูก็อาจจะไม่ได้ยินอันนี้เราก็เคยมีประสบการณ์ดูหนังก็เลยไม่ได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินฟังเพลงก็เลยไม่ได้กลิ่น แต่ว่าอพว่าดูภาพแล้วไม่เห็นภาพที่มันปรากฏเพราะไปจดจ่ออยู่กับภาพหีกภาพหนึ่งนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่ก็ลองสังเกตมันก็มีเหมือนกันนะคนที่เห็นเห็นอาหารเห็นจานอาหารอยู่ ตามไปจดจ่อที่จานอาหารเพราะกำลังหิวก็อาจจะไม่เห็นกุญแจหรือปากกาที่วางอยู่ข้างๆก็ไดนะ้พอมีคนมาบอกว่าในเห็นกุญแจไม่เห็นปากกาอยู่ข้างๆจานนะบอกไม่เห็นมีคนบอกมีแตมันะมีทำไมนะไม่เห็นบางคนบอกคนบางคนบอไม่เห็นจะมีได้ยังไงอยู่ต่อหน้าต่อตาเลไม่เห็นมีอะไรเลย ก็เถียงกันได้นะทะเลาะ ก, กันพอไปเชื่อสิ่งที่เห็นไปเชื่อสายตาแต่มันก็เชื่อไม่ได้ให้ดูๆไปนี่มันความคิดก็ดีความจําก็ดีหรือว่าสายตาที่ที่เห็นต่อหน้า ต, ตาก็ดีมันมันก็ยังเชื่อไม่ได้นะั่นต้องเผื่ใจไว้ ให้การมีสติมันช่วยช่วยทําให้เราทําให้เราเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปหลงไม่ไปยึดไม่ไปทุ่มไม่ไปมัวจดจ่ออยู่ออกับอะไรมันทําให้มันช่วยทำให้ใจเราเปิดแล้วก็เห็นอะไรอย่างที่มันเป็นได้ง่ายกว่า เวลาจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างบางอย่างเราก็ไม่เห็นนะไม่ได้ยินถ้าไปจดจ่อจดจ้องอย่างเช่นเวลาเราจดจดจ้องอยู่กับคำบรรยายคำพูดเนี่ยในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กแต่ถ้าเราใจเราเปิดใจแล้วไม่ไปส่งออกนอก ไม่มาจดจ้องจดจ่ออยู่คําพูดมันก็จะได้ยินเสียงนกเสียงติ๊กติ๊ก ต, กตกของนาฬิกาเสียงจิ้งหรีที่เข้ามาแต่ถ้ามาจดจ่อเป็นสมาธิกับคําพูดนี้เมื่อไหร่ก็ให้เสียงนาฬิกาเสียงจิ้งหรีก็หายไปเลยอันนี้ใจมันไม่เปิดแล้วใจมันเพราะใจมันจดจ้องจดจ่ออยู่กับเสียงพูดเมื่อที่เคยเล่าเนี่ย เดินจงกลบเป็นชั่วโมงหน้าวัดเนี่ยถามวมาได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องนะออ ก, กว่าครึ่งไม่ได้ยินนะมันมาอยู่กับความคิดนี่เพราะไม่มีสติเพาใจไม่เปิดสติมันทำให้ใจเปิดรับรู้แต่รับรู้สิ่งที่ปรากฏในปัจจุบัน ถ้าไม่มีสติมันไปอยู่กับความคิดมันก็ความคิดก็ปิดบังความจริงความคิดหรือความเชื่อมันก็ปิดบังความจริงหรือว่าการจดจ่อจดจ้องส่งจิตออกนอกก็ทําให้ไม่ไม่รับรู้ความจริงใจไม่เปิดเต็มที่เั้นถ้าเราเปิดใจเลยเราก็จะฟังคนอื่นได้มากขึ้น การทุ่ ing, geois, Stone, มเที่ยงก็น้อยลงหรือถ้าเราเปิดใจเราก็จะไม่ยึดติดกับความคิดความเชื่ออั aces, rr, อใ Jupiter. นใดอันหนึ่งเผื่อไว้เผื่อว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ลูกที่ไปสรุปไปเหมาว่าพ่อสูบบรี่ทั้งที่เป็นมะเร็งถ้ามีสติมันก็จะไม่ไปใจมันก็จะไม่เทไปในข้างที่ เชื่อว่าพ่อสูบบรีแน่นอนแต่มันจะเผื่อไว้บ้างว่าอาจจะเป็นอื่นก็ได้พอจะสูบบรีสักกิบ0อีกส0เเผื่อไว้สเติบมันจะช่วยทำให้เผื่อใจไว้จะไม่เทไม่เอียงไปว่าเนี่ยพ่อสูบบุรีแน่เลยร0อเปรเน์ันเปรซน์เลยคนมักจะพูดแบบนี้ร้อยเปอพันเป์เลย ถามว่าเห็นจริงหรือเปล่าไม่เห็นจริงหรอกสรุปเอาอนุมานเอาถ้ามีสติมันมันไปอย่างนั้นนะมันเทมันเอียงไปเลยเรืย ก, ก่หัวปักหัวปั่มแต่ถ้ามีสติมันก็เผื่อใจไว้บ้างเผื่อไว้ยิ่งได้ผ่านได้เรื่องการมาสูตรมา ไม่ดูกี่ร้อยครั้งแล้วก็จะยิ่งเตือนใจได้ให้เผื่ใจไว้ส่วนใหญ่ฟังกลมมาลธรรมสุขก็ฟังเออฟังก็ดูมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่คยได้ใช้หรอกถ้าเราฟังเออได้ยินก็ทําให้ระ ล, ลึกถึงกลธรร ม, มสุขก็เออเผื่ใจไว้รออถึงแม้ไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่า มันก็คิดได้หรือมันก็เห็นเองว่า อ, อย่าเพิ่งสรุปเป็นร้อยเวปักปั้มอย่างนั้นเปิดใจไว้กับเปิดใจเผื่อไว้บ้างกับเผื่อใจไว้บ้างว่าอาจจะอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราสรุป เอาตอนนี้เราเองการรู้เท่าทานความคิดหรือไม่ไปยุดติดถือมั่นกับสิ่งที่เห็นนี่สําคัญมากแต่เน่นว่าเวลาเราทําอะไรทํางานทําการก็ต้องความรวดเร็วฉับพลันก็ต้องสรุปอะไรไว้บ้างพอไม่สรุปอะไรเลยก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าก็อย่าไปหัวปักหัวปลามกับมัน ทำแลไรไปก็ทำด้ใจที่เผื่อไว้นิเผื่อนิเผื่อนหน่อยว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะช่วยได้เอาเราก็พูดกันเท่านี้กลับพระ